วันพระของเราวันนี้เป็นเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วแรมแปดขาขึ้นแปดข้าเดือน11วันเพนเดือนหน้านเป็นวันออกพรรษาเพราะนั้นให้พวกเราทบทวนดูว่าที่พวกเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ก่อนเข้าพรรษาว่าจะรักษาอุโบสถทุกวันพระ หรือจะรักษาศีลห้าทุกวันพระหรือเราได้ตัง้งจิตอธิษฐานอะไรไว้เราขอให้พวกเราทบทวนดูทามันขาดตกบกพร่องทามันขาดนะทำมันลืมหรือมันมีธุระอย่างอื่นเราก็ควรจะรักษาศีลเพิ่มเข้ออีกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างวันเราขาดไปวันหนึ่งเดี<ป>๋ยวว่าวันต่อไปนี่เราก็เนี่ย รักษาศีลอีกเพิ่มอีกสักวันหนึ่งหรือ2วันก็ยังได้เหมือนกับผ้าเราขาดในเมื่อเรามันขาดแล้วปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจผ้าขาดเราก็ต้องปะต้องชนต้องเย็บนี่ก็เหมือนกันนะ่ะถ้าศีเลเราขาดขาดวักหรือว่าขาดวันรักษาเราจะยิ้มหัวเราะทั้งวันโกหกตัวเองอย่งไม่ได้นะถ้าคนอื่นโกหกตัวเองนะ่ยโกรธให้เขา แต่พอตัวเองโกหตัวเองเนะี่ยงงเราะทั้งวันนะได้แล้วมันก็ผิดเหมือนกันโก6ตัวเองนะผู้ที่มีศีลห้ า, าว่าปิดอบายพภูมนะิพระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนั้นไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสัตติฉานไม่เป็นคนพิกงพิการถ้าคนมีศีลห้าพระพุทธเจ้ารับรองอย่างนั้น เพนั้นพวกเราถึงจะได้เป็นส่วนน้อยก่อนนับว่านั่นก็คือคุณงามความดีเหมือนกันเหมือนกับเราได้เงินถึงจะได้น้อยก็คือเงินถ้าไม่ได้เฉลยแปลว่าไม่ได้เงินนี่เหมือนกันถ้าพวกเราได้น้อยคือได้บุญคือ ค, คุณงามความดีถ้าได้มากก็ยิ่งดีแต่ถึงไม่ได้เฉลยก็ไม่ดีต่อไปตั้งใจสมาทานศีลน่น นะโมตัสสะพะกวะโตราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันที่23าตุลาคมพุทธศักราช2555้าวันขึ้น8ดค่ำเดือน11อวันพระนาเป็นวันประวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์คำว่าประวารณาของพระสงฆ์ เมื่อวันพระที่แล้วหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้คณะจตธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบว่าปวารณาของพระสงฆ์นั้นคืออะไรแต่ตามไม่จริงหลวงพ่ออยากจะเน้นย้ําให้แก่พวกคณะจตธาญาติ ย, ยมพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าได้รับรู้รับ ร, ร, บรู้รับทราบเพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ยถ้าเรา ไม่เอามาพูดเพี้ยนตะวาปวารณาออกพรรษาและก็จบนะแต่ถ้าว่าเอาเราเอามาขยายผลและตีแผ่หรือว่ า, อาบอกกล่าวเหตุผลให้แก่คณะสัตธาญาติโยมได้ฟังจะรู้ซึ้งในความหมายคำว่าปวารณาในครั้งก่อนพระสงฆ์อยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นแสนมีมากอย่างที่วัดของเราอย่างเนี้ยนะพระทั้งหมด42รูป พระจำพรรษาแล้วก็วัดอื่นๆบางทีก็มาปวารณาอยู่ที่วัดของเราด้วยท่นี้เมื่อถึงวันปวารณาออกพรรษาคือปีหนึ่งเคยเขาว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าพระจาพรรษานี่สามเดือนไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนถ้าไปก็คือกิจธุระจาเป็นสาคัญเท่านั้นจึงจะไปได้ว่าสัตหะกรณียะไปได้เพียงเจวัน ถ้าไม่จําเป็นห้ามออกนอกวัดห้ามข้างคือนอกวัดอันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านให้พระจําพรรษาไม่ให้ออกเที่ยวทุดงออกไปหาวิเวกถ้าออกพรรษาแล้วก็ออกไปวิเวกในพรรษานท่านให้อยู่เป็นที่เป็นทางถ้าหาว่าองค์ใดกลุ่มใดออกไปเที่ยวสมัยก่อนคือว่าไปเที่ยว ธุดงในป่าหาสถานที่สงบหาภาวนาแต่ไปเป็นหมู่เป็นรอยสี่ห้าร้อยไปเหยียบคันนาไปเหยียบพืชไร่ของเขาพอหน้าฝนเขาก็ปลูกพืชไร่พระสงฆ์บางองค์ก็อยู่ในบ้านในเมืองไม่รู้จักว่าพืชไร่ของเขาคืออะไรประกอบไปเหยียบย่ําของเขาทําให้พืชไร่ของเขาเสียหายชาวบ้านเขาก็โวยวายก็ว่าพระสงฆ์ ขณะในพรรษาหน้าฝนแล้วก็ไม่รู้จักที่พักพ้าอาศัยไม่อยู่จําพรรษาเป็นที่ไม่เหมือนาศาสนาอื่นเข า, าศาสนาอื่นเขายังอยู่แต่พุทธศ า, ศาสนาศาักยะบุตรนี่ทำไมเที่ยวเล่ยเล่ย์่อนล่อไปอยู่อย่างนี้นกพวกนกพวกสัตว์ทางหลายก็รอกกระแตเขาก็ยังมีโพรงมีรวงมีรังหน้าฝนเขาจังจะรู้จกักรบฝน แต่ส ม, มณะสักกยบุตรนี่ทำไมเที่ยวทั้งแรงทั้งฝนอันนี้เมื่อเขาโพนธนาเขาโพดกันเขานินทาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยให้ภิกษุจําพรรษาภายในสมเดือนตั้งแต่เดือน8เพนจนถึงเดือน11เพ็ดเพนคือสมเดือนในขณะที่สมเดือนพระอยู่จำพรรษาก็ว่าเป็นอยู่เป็นหมู่เป็นพวกอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ในเมื่อออกพรรษาแล้วทนพระสงฆ์แต่ละกลุ่มต้องประวารณาประวารกกันนี่แหละคำว่าประวารณาคำนี้นะีพวกคณะสัตย า, าติโภชท่านพูดยังไงพระจําพรรษาด้วยกันทั้งหมด42รูปในวันออกพรรษากับพระหัวหน้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยว่านะโมก่อนนะว่านโมพร้อมกัน นั่งกระยงปนมือเหมือนกับพวกเราไวายพระผู้ชายไวายพรนะนั่งกระยงทุกอง์จากนั้นก็ปนมือเสร็จแล้วก็นะโมตัสสนะเนี่ยนี่แหละคือพุทธศาสนาเนะี่ยท่านให้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท่านไม่ไม่ให้ทิ้งบุคคลสําคัญบุคคลสำคัญคือต้นตระกูลคือพระพุทธเจ้านะเราจะทําสังฆกรรมอะไรเราต้องนอบน้อมต้นตระกูลของเราคือพระพุทธเจ้านะโมตัสสะปะกวะโตพร้อมกัน อรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะอันนี้คือเวลาเราจะทําสังฆกรรมอะไรสังฆกรรมอะไรแล้วต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าคือเป็นบรมมครูเป็นต้นศารดาเป็นต้นความคิดนี้ที่พวกเรานอบน้อมที่พวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้า ก่อนจากนั้นที่เป็นหัวหน้าก็บอกแล้วสร้างคังอวุโซปาวารีมิติเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายยวะพูดเป็นบาลีนะข้าพเจ้าขอประวารณาต่อสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นข้าพเจ้าเห็นการกระทําของข้าพเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยกายก็คือการกระทําทางกายที่เห็นแล้วไม่ตกไม่ถูกต้อง หลวงพ่ออิ น, นทําไม่ถูกต้องแต่พวกผูกชิดอยู่ใกล้เห็นไม่ถูกต้องหรือว่าการพูดของหลวงพ่ออินฟังพูดดูแล้วเป็นไม่ถูกต้องลักษณะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยและแนวความคิดที่แสดงออกมาก็ไม่ถูกต้องพระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็ตักเตือนประวรณาต่อสงฆ์ให้สงฆ์ตักเตือนได้บอกกล่าวได้เพราะบางสิ่งบางอย่างตัวเองอาจจะมองไม่เห็นแต่พระสงฆ์ที่อยู่ใกล้อาจเข า, อ า, อ, าอาจจะมองเห็น แต่เรามันใกล้เกินไปเรามองไม่เห็นเหมือนกับผงทุลีเข้าตาของเราอย่างนั้นนะผงเข้าตาของเราเรามองไม่เห็นแต่คนอื่นให้คนอื่นเอาออกให้หลักษณะอย่างนั้นน่ะนี้ก็เหมือนกันถ้าตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นแต่คนอื่นเขามองนะเออหอลวงพ่อเนี่ยทำไม่ถูกจุดนี้เพราะเห็นนั้นท่านจึงให้เประวารณาในสงฆ์พวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายกด็ดีด้วยวาจาด้วยวาจาคือคําพูด ดยกาย ค, คือการกระทาวาจาคือคำพูดใจคือความนึกคิดของผมผมนึกคิดผมนึกคิดซะก่อนผมจึงพูดออกมาการกระทาออกมาการกระทาออกมามันผิดที่ผิดทางการแสดงว่าคิดไม่ดีแล้วเมื่อคิดไม่ดีการกระทาออกมาก็ไม่ดีการพูดออกมาก็ไม่ดีเพราะฉนั้นพระสงฆ์หลายก็ว่ากล่าวตักเตือนได้ยินดีสรุปแล้วก็คือไม่ให้โกรธ อ, อไม่ให้โกรธต่อพระสงฆ์ที่มาว่ากาวตักเตือนเนีประวารณากันไว้แล้วเนี่ยถ้าว่าเอ้าท่านก็ได้ประวรณาผมไว้แล้วพวกผมไว้แล้วผมก็เลยว่าว่ากาวจุดนี้ อ, อแต่เนี้พอองค์หัวหน้าพูดจบองค์ที่สองก็พูดแล้วสร้างคำพันเตปวารีมิดรเทนวะเหมือนกันก็นั่งลงอง์ที่สามก็พูดองค์ที่สี่พูดจนถึงองค์สุดท้าย ว่าสี่า4บสององค์ในพูดทุกองคปวารณาต่อกันอันนี้คือคือปวารณาในสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนเพิกศุนย์ทงหลายพวกท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันละกันในศาสนาของเราตถาคตถ้าพวกเราไม่บอกไม่กล่าวกันต่างคนต่างอยู่ต่างองค์ต่างอยู่ไม่แนะนําไม่บอกกล่าวกันศาสนาของตถาคตก็คงอยู่ไม่ได้นาน แต่พกรันทั้งหลายตักเตือนว่ากล่าวกันในทางที่ถูกต้องเห็นชี้โทษในทางที่ถูกต้องอแล้วก็นแนะนำในทางที่เป็นคุณสรุปล้าก็คือเป็นผู้มีสินศาสนาของตถาคตก็อยู่จะอยู่ได้นานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ผู้ใดก็ตามชี้ความผิดของเราชี้โทษของเราว่าเราผิดอย่างนี้เรามองไม่เห็น แต่มีผู้ชี้โทษให้ท่านบอกว่าผู้นั้นเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเราจะได้นำปรปับปรุงแก้ไขสมมว่าเราจะไปตกนรกไปทำความชั่วแต่คนอื่นเขาแนะนำเขาบอกเราโ mm hmm. อ้จะทำอย่างนั้นไม่ได้นะตกนรกนะทุกจนนะเราเหมือนกับเขาชี้ขุมทรัพย์ให้อันนี้คือพระพุเทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่มนุษย์หรือว่าสามัญชนทั่ ว, วไป ตรงกันข้ามถ้าผู้ใดถึงโอ้ตัวเองจะผิดขนาดไหนทําไม่ถูกขนาดไหนแต่ผู้อื่นบอกกล่าวนโดยมากจะไม่พอใจไม่พอใจในการบอกกล่าวของออคนที่มีเจตนาดีหรือมีความตั้งใจดีที่จะแนะนำบอกกล่าวเ่โดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีคนบอกกล่าวกับเรา เ, เราว่าเราผิด อันนั้นแปลว่าผู้นั้นจะเป็นบัณฑิตนักปราชต์ต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าเขารู้เขาบอกความผิดของตนเองตัวเองก็ยอมรับว่าเออผิดจุดนี้คนนั้นจะเป็นบัณฑิตนักปาราชต์พรยอมรับความผิดนี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาแต่ ถ, ถ้าเรานําจะนําไปใช้สําหรับคารวะญาติโยมหลวงพ่อว่าก็จะเกิดผลดีไม่ใช่น้อยเหมือนกัน สมมติว่าพ่อแม่ของเราในตระกูลในครอบครัวของเรามีพ่อแม่ลูกอย่งหอวันไหนวันสำคัญวันเกิดของพ่ อ, อวันเกิดของพ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ประวัลนาลูกทุกคนแม่บ้านผมทำผิดอะไรลงไปถ้าดูดูแล้วไม่เหมาะสมข อ, อให้แม่บ้านลูกอบอกกล่าวผมด้วยได้นะบางทีผมอาจจะ ไม่รู้ว่าจุดนั้นคืออะไรเป็นที่หนักใจของคนในครอบครัวผมปรวรรณาตัวนะเทวันเกิดวันเกิดของแม่บ้านแม่บ้านก็ปรวรรณาอีกเนี่ยวันเกิดของฉันพอบ้านก็ดีลูกก็ดีถ้าเห็นฉันกระทาลงไปสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ให้บอกกล่าวฉันได้นะอันนี้คือปรวรรณาในครอบครัวเรื่องในสํานักงานก็เหมือนกันถ้าหากว่า ถ้าใครผิดก็บอกกล่าวกันและก็ยอมรับกันด้วยเหตุผลพวกเราถ้าอยู่ด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วประเทศชาติก็ดีครอบครัวก็ดีสำนักงานไหนก็ดีวัดวาศาสนาที่ไหนก็ดีจะร่มเย็นเป็นสุขทวนหน้ากันแต่ถ้าว่ า, วาไม่รู้จักฟังคำกันดันทุลังเอาข้างเข้าถูถูไปจนะลอกปอกเปิก ออกไปทานหนึ่งก็ไล่ไปทานหนึ่งบอกท่านหนึ่งก็ไล่ไปทานหนึ่งไม่ยอมรับฟังเหตุฟังผลแล้วการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความยากลําบากหาความสงบฉุขไม่ได้ในชุมชนสังคมของพวกเราเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้พระสงฆ์ออกพรรษาแล้วให้ประวรัตินาเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพวกเราท่านทั้งหลายให้ ฟังและเข้าใจแล้วก็นำมาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์หลวงพ่อว่ามีอะไรเราประวรณาต่อกันหรือในกลุ่มในหมู่ในคณะหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์เกิดความสงบสุขในกลุ่มของพวกเราอันนี้ก็คือการบริหารการจัดการและการอยู่ด้วยกันจะจัดว่าเป็นหมวดสินในหลักของพุทธศาสะนาะหมวดสินหรือหมวดกฎหมายถ้าพูด ตามบ้านเมืองหมวดกฎหมายหมวดศีลศีลคือกฎหมายกฎหมายคือศีลการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่คนเดียวจะไปปวาวนากับใครเราจะร้องตะโกนโวกเวงอยู่ทั้งวันนักเกินก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่สองคนขึ้นมาแล้วก็ตะโกนกันไปกับคนหนึ่งก็รบกวนรบกวนคนหนึ่ง อ, อันนี้มันไปนยังไงมันร้องตะโกนไปเมนบ้าแล้วเปล่าเนีเ่ยเพราะมันสองคนถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไร ถ้าอยู่สามสี่ห้าคนเข้าไปแล้วเทนี้เราต้องระเวยงระวังเข้าไปอีกต้องมีกฎกติกาขึ้นมาในชุมชนสังคมของพวกเราเนะี่ยนี่แหละอันนี้คือศีลหรือกฎหมายหรือกฎระเบียบการเป็นอยู่อันเดียวกันนั่นแหละคําว่าศีลศีลคํำนีนะ้พวกเราได้ยินแล้วก็ออตื่นตโนกตกใจรักษาศีลคือรักษากฎระเบียบนะนะั่นแหะไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ก็คือศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล ส่วนธรรมส่วนธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนั้นนะ่ะที่หลวงพ่อย้าแล้วย้าอีกก็คือเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาพร้อมพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติมาภาวนาพูดง่ายๆมาภาวนานั่งภาวนา ทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกับใจของเราเนี่ยมันคนละอันกันชัดเจน เ, เพราะนั้นเราจะทจําใจยังไงเราจะเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราอย่างไร เ, เราจะใช้ธรรมะเนี่ยประครับประคองจิตใจของเราอย่างไร ใจของเราจะอยู่ในบังคับจิตใจของเราจะให้อยู่ในศีลในธรรมอย่างไรนี่แหละอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเพราะใจของเราเนี่ยมันหลวงพ่อเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกออมันชัดเจนเมันชัดเจนก็คือร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อบอกนะแต่ใจของเราเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถเออ ดูสิมันต้องอาศัยกันแต่เราจะไปตำหนิรถไม่ได้เราจะไปตำหนิกายไม่ได้กายรถคันนี้เนี่ยรถเบนซ์รถเก๋งรถโตโยตา้ารถอะไรก็ตามรถมาจากต่างประเทศรูปร่างกลางตัวมันเป็นยังไงบริษัทเขาก็ทํามาอย่างนั้นนะรูปของมันแต่ว่าคนขับรถน่ะเข้าไปนั่งขับรถน่ะขับรถเข้าไปแล้วไปเฉียวไปชนอ่า แล้วก็ทำไม่ถูกปีแปรด่ไปเรื่อยด่าคนไปเรื่อยนี่แหละอันนี้แหละคือรถคันนั้นเราจะไปตำหนิรถไม่ได้เราต้องตำหนิคนคนขับคนไม่มีมรารยาทถ้าคนไม่มีมรารยาทขับรถมันก็รถคันนั้นก็เสียมรารยาทไปด้วยเหมือนกันแต่เวลาเขาทำโทษเขาทำโทษรถใช่ไหม เขาไม่ได้ทำโทษรถนะเขาทำโทษคนนะคนที่ขับนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษ า, อ, าอยู่หกปีที่ท่านจึงรู้ท่านถึงแยกได้ว่ากายกับใจนะั้นเป็นคนละอันกันเมื่อท่านนั่งสมาธิที่แรกท่านก็ไปไปทรมานรถก่อนอดพกยาหารถึง49วันทำทุกอย่าง อ, าอดนอนบังอะไรบางเหมือนกับ ศาสนาอื่นเขาทําเดลทีนี่คนสมัยนะั้นเขาทํำยังไงพระพุทธองค์ก็ทําอย่างเขาหมดทุกอย่างสรุปแล้วก็คืออดพระกยอาหารถึง4ี่สวันตัวนี้แหละแต่ว่าเหยียบเส้นแดงเลยท่านเลยไปคนนั้นไปว่าตายไงผอมโกกเลยท่านอดพระกยอาหารถึงสีเก้าคือทรมานรถไม่ให้รถไม่เติมน้ํามันให้รถไม่เติมน้ําให้รถมันเป็นยังไงฮมันรถมันก็นกไปไม่ได้เล แต่ตามจริงท่านบอกไม่ใช่เรื่องของรถนะรถมันไม่มีอะไรมันต้องใจสิท่านกระดิน้อมมหาตัวผู้รู้เนี่ยคือนามธรรมมโนปุพังคมาธมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจจากนั้นท่านมาดูใจตัวใจมาดูใจคือตัวนึกคิดปรับปรุงคิดนั้นคิดนี้ปรุงนั้นปรุงนี้อันนี้คือนามธรรมมองไม่เห็น แต่มองไม่เห็นจะทำยังไงจึงจะจะจับตัวนี้มามาให้มาทำงานทำการได้ตัวมองไม่เห็นเนี่ยท่านก็ดูเอาสมาธิเขาจับกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อลมจิตของพระ อ, องค์รวมสงบทนรวมสงบลงเป็นหนึ่งพราะอจิตไม่คิดถึงอดีต ใจไม่คิดไปในอนาคตตัวผู้รู้นะ่ะไม่ปุงไม่ฟุ้งเลยมันอยู่ปัจจุบันอยู่นิ่งอยู่กับกรรมฐานที่บังคับให้อยู่คือลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมจิตรวมพอจิตรวมคงไปเท่านั้นแหละทีนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี น่่ะความสงบของใจคือใจไม่คิดไม่ปุงไม่พุมงสันมีความสงบนะจากนั้นพระองค์ก็มียานรัศนะเกิดขึ้นปุเพเนวาสานุสติญาณรละลึกชาติทุนหลังได้อันนี้คือวิถีของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือน6เพนเวันนั้นนี่แหละถ้าพวกเรานำมาวิเคราะห์หรือว่าว น, นำมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วทำคาสอนของพระพุทธเจ้า มีเหตุมีผลจากนั้นพระองค์ก็ได้ชําระพระองค์ชําระพระไทยใจของพระองค์ตัวที่มองไม่เห็นเนี่ยตัวที่จับได้ยากเนี่ยนี่แหละที่ว่าหัวหน้าเนี่ยอแต่ส่วนร่างกายเนี่ยเป็ น, เ, ปนเครื่องอาศัยท่านเองเป็นรถเป็นรถของใจท่านเองฮะนี่แหละแต่นี้พระองค์ก็ยังไม่ได้มองทิ้งเพียงแค่นั้นอีกทีนหนอย่างทั้งว่าพวกเราท่านทั้งหลาย เกิดมาแล้วได้รสรสไม่เหมือนกันอีกต่างหากต่างคนก็ต่างได้ลบรูปร่างลักษณะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่รูปลักษณะเป็นมนุษย์แต่ว่าดูหน้าตาแล้วแปกแตกต่างกันเพราะเหตุอะไรเพราะพระเจ้ากรรมจําแนกกรรมจําแนกให้พวกเรามาเกิดลักษณะอย่างนี้นเมื่อกรำจําแนกแล้วพวกเรามาเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเถอะเนี่ยเออ แล้วบุพกรรมอันไหนในอดีตพระองค์ก็มองไปอีกในอดีตชาติเนี่ยอย่างว่าปุเพในวาสานุจติยานระลึกชาติทนหลังได้แต่ตายแล้วไม่สูนนีญใช่ไหมล่ะเมื่อตายไม่สูญ เ, เกิดมาเ อ, อชาตินี้ชาติแล้วชาติก่อนไปอีกเ อ, อพบก่อนชาติก่อนมีแล้วทัพพงมองดูอเออเขาทํากรรมไว้ในอดีตชาติเมื่อชาติถีดแล้วเนี่ยเหมือนกับเรามองอย่างเมื่อวานเนี่ยเออ เมื่อวานเราไปตีหัวเขาเข้าใช่ไหมละ่ะ เ, เมื่อไปตีหัวเขาเขา้าพอตีเขาเข้าแล้วมาวันนี้ตำรวจก็ไล่จับเราฮะถ้าจับเราไม่ได้วันนี้วันพุธเล้ ไ, ไล่จับอีกเออจนผลสุดตำรวจจับเข้าคุกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแปลว่าเออเราได้รับกรรมแล้วนี่ก็เหมือนกันในอดีตชาติเราทํากรรมอันไหนไม่ดีไว้ในอดีตมาชาตินี้เราก็ต้องได้รับกรรมชาติที่แล้วที่เราทํา ถ้าเราขยันทําบุญทําทานอันให้ส์ในการทําเมื่อปีที่แล้วเราก็รวยอย่างเมื่อวานวันก่อนเราขยันหาเงินใช่ไหมเพอเพยังได้รางวัลพิเศษอีกอที่เขาให้มามาวันนี้เราก็รวยใช่ไหมรวยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้รับการชมเชยได้รับรางวัล น, นะวันนี้เราก็รวยฮนะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะอดีต เป็นผลมาถึงปัจจุบันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วกรรมชั่วตัวนั้นแหละจะติดตามเราไปในภพหน้าชาติหน้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะานํำถ้าททำอนันตรยกรรมห้ามาตุกาศตฆ่าแม่ปิดุคขาศตฆ่าพ่ออรหันตระฆาตฆ่าพระหันโลหิตตุบาททาร้ายพระพุทธเจ้ายังโผหิตให้ห่อ สังฆเภทยุยงสงให้แตกกันบาปห้าอย่างนี้บาปหนักถ้าว่าพวกเราทําลงไปแล้วตัวนี้แหละกรรมตัวนี้จะติดพบติดชาติไม่รู้นานเท่าไหร่แต่ถ้าว่านี่แหละฆ่าขู่ฆ่าคนฆ่ า, าสรพรพสัตต์ทางหลายเป็นคนเกเรเป็นคนชั่วบาปกรรมความชั่วตัวนี้ก็ติดตามพวกเราไปอีกปรโหลาภายภาคหน้าอีกเหมือนกัน คนนั้นพระพระธองค์จึงมองดูแล้วอ่ะที่ท่านได้ตัดสรุ้ท่านมองดูวิญญาณแต่ละวิญญาณคนแต่ละคนมาจากไหนมาเกิดออกจากนี้จะไปไหนด้วยผลกรรมอะไรกรรมอะไรเขาทำกรรมอะไรไว้เขาทำกรรมดีไหมกรรมว่ากรรมกรรมเขาได้มีสองนะกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีจะพาไปสู่สุกคติถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปสู่ทุกขติเพราะนั้น กรรมชั่วอย่าทําเสียดีกว่านี่ยเพอกรรมชั่วมาทําแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะกนาาาจจัชตาญาติโยมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดกานกรองไตรตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ศีลธรรมให้แก่พวกเราได้ฟังนี่แหละพูดแรกก็คือพูดปรวรัเรื่องประวัติาของพระสงฆ์มีความหมายอย่างไรจากนั้นก็เรื่อง ศีลและธรรมเรื่องสมาธิธรรมเรื่องธรรมใจนั่นแหละให้พวกเราศึกษาเรื่องพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพวกเราควรจะศึกษาให้เข้าใจต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะนุโมธนาให้พร